ก็เป็นนั้นว่าเรามีความพร้อมกันแล้วระดับหนึ่งนะสำหรับผู้มาก่อนก็ถือว่ามาสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆออกจากความเคยชินจากบ้านเราบางบางนี้เพื่อที่จะให้กําไรชีวิตของเราได้มากขึ้นนะเพราะเราก็อยู่ซ้ำซากจําเจกับบ้านเพราเราชีวิตมันแค่เก่าไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนที่ใหม่ทีหนึ่งชีวิตก็ใหม่ขึ้น คนที่เปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆก็จะแก่ยากหน่อยอยาธรรมานี่แก่ยากนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนธาตุดินน้ำลมไฟได้ดินน้ำลมไฟที่ใหม่ก็ทำให้ชีวิตของเรามีการตื่นตัวถ้าแช่อยู่กับที่ชีวิตของเรามันไม่ตื่นตัวมันหลับมันไหลมันแก่มันนีไวไวเหมือนเราต้นไม้ที่ ถ้า ล, ลดน้ําบ่อยๆมันก็ผลีใบเรื่อยๆถ้าไม่ค่อยได้ลดน้ําใบที่มีอยู่ก็จะเหี่ยวแห้งหล่นไปนะชีวิตที่เราปรับเป็นตามสถานการณ์ชีวิตที่ได้รับการวิธีรับการลดน้ํานะ เอสําหรับเบื้องต้นนี้ก็อยากจะทราบก่อนว่ามีคนใหม่กี่คนคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วกี่คนขอสํารวจก่อนคนใหม่มีใครบ้างไใหม่เลยนะยกหนึ่งสองสองคนเองนะอันนี้เคยปฏิบัติแล้วแบบนี้หมดทุกคนแล้วนะสำหรับคนนี้ไม่ยกนะเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมแล้วผ่านมาแล้วทุกคนคนใหม่จริงก็มีสองคนอโอเคอต่อ เป็นนั้นว่าคนที่มาเนี่ยได้รับทราบได้ได้ข้อมูล <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแบบนี้มาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะผู้ที่จะมาปฏิบัติแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเป็นของที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าหลายๆอย่างก็มันเป็นการทวนกระแสนะเป็นการทวนกระแสดังนั้นเองที่นี่เรามาที่นี่เราก็จะมาทวนกระแสหลายๆอย่างเพราะว่าเราอยู่บ้านไปตามกระแส คือหมายความว่าเราต้องการสิ่งใดก็พอหาได้แล้วก็ได้อย่างใจเป็นส่วนใหญ่สบายๆได้อย่างใจเป็นส่วนใหญ่ถ้ามาที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่บ้านของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่ได้สิ่งนั้นทันทีก็จะเกิดให้เกิดความอึดอัดขัดเคืองตรงนั้นแหละ <c oughs> กะระแสมันก็จะถูกสกัดนั้นการกัดสกัดกั้นกะระแสของ ความรู้สึกนี่นแหละเรียกว่าเป็นการทวนกระแสการทวนกระแสก็จะต้องมีกําลังเกิดขึ้นเช่นว่าเราว่ายน้ำถ้าว่ายตามกระแสน้ําที่ไหลเนี่ยเราไม่ต้องใช้ <c oughs> กำลีกําลังอะไรใช่ไหมเพียงแตนะ่การเชียงก็ค อ, องตัวมันก็ไปของมันแต่ถ้าเราจะว่ายทวนกระแสเนี่ยต้องออกกําลังนอกจากการเชียงแล้ไม่พอต้องออกกําลังเชิญใดก็ดี การที่จิตของเราเนี่ยไหลเป็นกระแสความต้องการมาตลอดชีวิตเนี่ยถ้าหากได้รับการกัน้นหรือบล็อกไว้มันก็จะเกิดการแรงกัน้นตรงนั้นมันเป็นพลังนะเหมือนกับน้ําที่มันไหลลงทะเลเนี่ยไปจากแม่น้ําลําคลองต่างๆแต่พอแม่น้ําใดถูกกัน้นไว้เป็นกระแสแล้วก็สิ่งที่สกัดกัน้นแข็งแรงพอที่จะน้ําทํำลายไม่ได้นั้นน้าเหนือเขื่นก็จะกลายเป็นพลังมหาศาล และพลังของเขื่อนนี่เองก็จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆหลายอย่างเกิดแสงสว่างเกิดไฟฟ้าเกิดการชุมประทานเกิดการเกษตรเกิดบุ บ, บนิเวศขึ้นหลายอย่างผลของการทนกระแสชีวิตของเราก็เหมือนกันนะที่เราได้ตามใจตามอารมณ์ตามกระแสความคิดของเรามาตลอดเนี่ยมันดูเหมือนว่าชีวิตมันไม่ค่อยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีแต่เรื่องเก่าๆนะเรื่องเก่าๆซ้ําซาก จ, จําเจ แล้วก็หาทางออกสนุกไปวันๆซึ่งทำให้สิ้นเปลืองโดยที่ไม่ได้อะไรสิ่งใหม่ไม่เกิดสิ่งเก่าก็ค่อยหายไปพอเรามาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านทำมาก่อนเราท่านอยู่ของบ้านของเรือนได้แค่29ปีท่านก็ออกเรื่มทนกระแสกลัวท่านจะชนะกระแสใจของตัวเองได้ใช้เวลากี่ปีเอาผู้ทุกคนต้องจำได้นะใช้เวลากี่ปี ตั้งแต่อายุออกอายุ29ท่านบรรลุธรรมอายุเท่าไหร่35ท่านใช้เวลาทุนกระแสกี่ปี6ปีอันนั้นหมายความเป็นผู้ก่อกำเนิด น, นะท่านใช้เวลาแต่พวกเราเนี่ยได้รับบทเรียนได้รับประสบการณ์ได้ศึกษาทฤษฎีวิธีการของท่านแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องใช้เวลามากอย่างท่านใช่ไหมเพราะท่านวางเป็นแบบไว้แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาสั้นกว่าท่านอย่าง ภาษาลิบุตรพระมคลานนะเนี่ยใช้เวลาแค่โค้ดได้เจ็วันสิหวันเองถ้าเปรียบเทียบกับวุฒิเจ้าใช้เวลาหปีโค้ละเรื่องเลยนะนะดังนั้นเองจุดนี้มันจะต้องมีหลักนะมีหลักทนกระแสแต่ <c oughs> ว, ว่าเบื้องต้นนี้อยากจะให้ข้อสังเกตก่อนว่าการที่เราจะพึ่งตัวเองพึ่งร่างกายของตัวเองได้เนี่ยเราใช้ความพยายามเยอะไหม นึกถึงว่าการที่เราจะมีเงินเดือนใช้เนี่ยใช้ความพยายามมากไหมกว่าจะมีเงินเดือนใช้ใช้เวลาเรียนกี่ปีหลายปีอย่างน้อก็สิบกว่าปีใช่ไหมเราได้เงินเดือนเราได้บางคนเรียนมาสิกว่าปีไม่ได้ไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ก็มีนะยังพึ่งพ่อพึ่งพึ่อพึ่งแม่อยู่เอาละทีนี้เราพึ่งเข้าปลาอาหารการขอนขวายที่จะต้องดื่มต้องกินแต่ละวันวันละกี่ครั้งหลายครั้งใช่ไหมกว่าจะพึ่งร่างกายนี้ได้ และกราจะพึ่งทั้งกายทั้งใจได้วันหนึ่งเราต้องพยายามพึ่งลมเข้าออกลมหายใจเนี่ยวันหนึ่งต้องหายใจกี่กี่ครั้งถึงจะร่างกายถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมสิ่งนี้เป็นตัวอย่างข้าวปลาอาหารเราก็ต้องกินเขาหลายครั้งอันนี้คือพึ่งให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นเองแต่คิดถึงจิตใจไหมว่าจิตใจต้องการที่พึ่งไหมจิตใจพึ่งข้าพึ่งน้าพึ่งสิ่งภายนอกไหม พึ่งไหมคนเศรษฐีมีเงินเขาพึ่งเงินเขาได้ทุกอย่างไห ม, มเสรษฐาวาเศรษฐีมีเงินเนี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะบางที่ทุกข์มากกว่าเราใช่ไหมนั่นสแสดงว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พึ่งบางอย่างเท่านั้นเท่บางอย่างเขาพึ่งไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งมีที่พึ่งภายนอกมากก็ยิ่งเป็นทุกข์ก็มี นะท่านถึงพูดถึงหลักสันโดดว่าให้ที่พึ่งภายนอกแต่เพียงพอดีก็พออยู่ได้แต่ถ้ามีเกินไปเนี่ยทุกวันที่ที่เราเป็นทุกข์กายทุกใจกันอยู่เพราะว่าที่พึ่งภายนอกมากเกินไปทรัพสมบัติมากเกินไปลูกเมียมากเกินไปนะเราก็เพื่อนฝูงมากเกินไปนะสิ่งที่เราเอามาอํานวยความสะดวกในบ้านในเรือนมากเกินไปเราจะต้องเสียเวลาบริหารจัดการเสียเวลาดูแลรักษาเสียเวลาที่จะบริหาร ในระบบ ต, ต่างๆไม่มีเวลาเราจะบอกโอ้ไม่มีเวลาเลยมิโกะจะมาลามาปฏิบัติได้นี่ก็ยากเลยใช่ไหมไม่มีเวลาบางคนอาจจะมาไม่ครบหรือสั้นไปว่าผู้ได้เวลาเท่านี้ถึงเวลาทั้งกลับแล้วเห็นไหมทั้งหมดเราใช้เวลาเพื่อหาที่พึ่งภายนอกแทบจะไม่มีเวลาเหลือให้ที่พึ่งภายในและได้บอกแล้วว่าที่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้พึ่งสิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกอย่างที่กายหรือพึ่งได้เป็นบางอย่าง แต่สิ่งที่ใจพึ่งได้คือพึ่งอะไรต่างที่พระเจ้ทาท่านบอกพึ่งอะไรจำํำลืมไปแล้วเวลาเราไปรักสินห้าทุกครั้งเราต้องว่าคําคำนี้จําได้ไหมทุกคนก็รับสินห้ามานับไม่ครั้งไม่ท่วนแล้วใช่ไหมยมตำรวจแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เราพึ่งอะไรเอาก็ว่าตามพระทุกทุกครั้งอะ่ะเวลารับสินห้าพระบอกว่าไงนะ พุทธังสะระนังคัจฉามิสะระนังแปลว่าที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพุทธิย้าว่าเป็นที่พึ่งใช่ไหมอันนี้จำให้ดีนะธรรมังสระนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสระนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเออสามครั้งนะแต่เดี๋ยวนี้ใครรู้สึกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วบ้าง มีอะไรยังไม่แน่ใจใช่ไหมว่ามีพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ม, มีแต่น้อยแต่นี่ยแต่ถ้าหากเราเห็นพระพุทธคือทองคําพระธรรมคือใบลานพระสงฆ์คือลูกหลานชาวบ้านเนี่ยพึ่งได้ไหมไม่ได้พุทธลูกควรจะมาตั้งตรงนี้เองได้ท่านเดินมาเองได้ไหมเราท่านพึ่งใครพึ่งเราเรายกมาวางไว้ใช่มถ้าเอาพระพุทธคือทองคํา เพราคือเวลาเพระตู้พระใจปดกต้องได้ซื้อมาต้องได้แบกได้หามกันมาใช่ไหมแล้วพึ่งใครพึ่งเราใช่ไหมพระสงฆ์คือลูกชาวบ้านพระสงฆ์ถ้าเขาไม่ไปถวายไอ้ปัจจัยสี่ให้เนี่ยพระสงฆ์อยู่ได้ไหมไม่ได้ท่านต้องถือบาทมาขอโยมทุกวันโยมต้องไปสร้างกุฏิห้องน้ําสร้างที่พักอาศัยซื้อที่ดินที่ดอนถวายให้ท่าน เราไม่ได้พึ่งท่านเลยท่านเอาเพึ่งเราอ่ะนี่หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมิติที่เป็นสมมุติท่านต้องพึ่งเราแต่เราเพึ่งท่านในมิติที่เป็นปรมัติ์ปรมัติ์คืออะไรพุทธะไม่ใช่พุทธประวัติไม่ใช่พุทธรูปไม่ใช่พุทธประเพณีไม่ใช่พระพุทธสถานแต่ว่า สิ่งที่แล้วพึ่งพระพุทธธรรมพระพุทธได้คือพระพุทธคือผู้อะไรนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเมื่อใดเราสร้างภาวะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นได้ในใจเราเองนั่นเรามีพระพุทธโดยประมัดแล้วนะดังนั้นในการมาครั้งนี้เราจะมาสร้างพระพุทธคืออะไรภาวะรู้ ตื่นเบิกบานให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในห้าวันเนี่ยยากไหมต้องทำให้สำเร็จนะแต่จะสำเร็จมากสำเร็จน้อยขึ้นอยู่กับกำลังนะขึ้นอยู่ ก, กำลังของเรากำลังที่จะสร้างนี่มีกี่อย่า ง, งกำลังที่จะสร้างภาวะพุทธะขึ้นในกายใ น, ในใจของเราเนี่ยใช้กี่อย่างหนึ่งกำลังของศรัทธา ต้องมีความเชื่อมั่นออมากๆาองกำลังของความเพียรต้องนั่งปฏิบัติกันตลอด 3. กําลังของสติในขณะนั่งปฏิบัติไม่ใช่ว่าปล่อยกายปล่อยใจไปตามเรื่องตามราวยังไงกไ็ไม่ใช่ต้องมีกําลังสติรวบรว ม, ว ม, วมกายกับใจเข้าด้วยกัน 4. กําลังของสมาธิมีความตั้งใจในการได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างมั่นคง 5. กํากลังของปัญญาอย่างน้อยต้องใช้5กํากลังนี้ กำลังของปัญญาคือรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกําลังห้าประการนี้มาสร้างพุท ธ, ธะถ้าหากว่าไม่มีกําลังห้าประการสร้างภาวะตื่นรู้เบิกบานไม่สําเร็จมิกวนนะแต่คนไหนมีกำลังน้อยก็สําสเร็จน้อยมีกําลังปานกลางสำเร็จปานกลางคนไหมีกําลังมากสําเร็จมากนะแล้วพระธรรมที่เป็นสมมติก็คือใบลานคือคำภีร์คือคําพูดคือ สิ่งที่เป็นคําสอนของผู้เผยพเจ้าแล้วพระธรรมในแง่ที่เป็นปรมัดอะ่ะคืออะไรปรมตัตดคือความจริงนะแต่สมมุติคือความปรมตัตดแปลความจริงแท้สมมุติแปลว่าความจริงเทียมต้องบอกไว้ก่อนหลังร่างกายกับจิตใจอันไหนเป็นความจริงแท้อันไหนเป็นความจริงเทียมลูกกับนาำอันไหนเป็นสิ่งไหนเป็นความจริงแท้สิ่งไหนเป็นความจริงเทียม รูปเป็นความจริงเทียมเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงแตกดับไปกับกดของแต่ลักอันนี้จังคู่ครั้งนรตายใช่ไหมตัวประมาดเป็นความจริงแท้เพราะว่ามันอยู่เนื้อกฎของแต่ลักเช่นร่างกายเราตายแต่จิตใจไม่ได้ตายจิตใจเป็นพลังงานเข้าไปยังดังลมลงอยู่เป็นอมตะนะทีนี้ พระธรรมแปลว่าความจริงมีสองอย่างคือความจริงแท้และความจริงเทียมความจริงแท้ก็คือปรมัสต์ความจริงเทียมก็คือสมมุติน่ะเราต้องมีร่างกายนี้เป็นสมมุติมันจึงเป็นความจริงเทียมจิตใจนี้เป็นความจริงแท้เพราะว่ามันอยู่สามารถพัฒนาให้อยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าว่าจิตใจที่มันอยู่ในความจริงเทียมอยู่มันก็อยู่ภายใต้ของกฎไตรลักษณ์เหมือนกัน ใจิตใจที่เป็นอยู่ในความจริงเทียมได้แก่อะไรใจิตใจที่มีรูปอยู่เรียกว่านามมารูปเคยได้ยินคำนี้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคนใหม่ต้องเรียนรู้ตรงนี้นะถ้าหากว่าอยู่รูปนามมันเป็นปรมาภิษฐ์พอเป็นนามรูปปั๊บเป็นสมมุติละ่ะทำไมาจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวนามนั้นมันมีนมรูปอยู่ด้วยรูปของอะไรเวลาโยมนึกถึงบ้านเนี่ยบ้านมาปรากฏในใจทั้งหลังไหมทั้งหลังใช่ไหม นึกถึงพ่อถึงแม่พ่อแ ม, ม่ปรากฏในใจนั้นเรียกว่ารูปที่เกิดกับนามเรียกว่านามมารูปแล้วเสร็จแล้วภาพเหล่านั้นหรือภาพบ้านภาพที่ปรากฏในใจของเรามันอยู่ได้ไหมสักพักหนึ่งก็เป็นไงนะเพราะมันเทียมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็หายไปแต่ความรู้สึกของเราที่รู้สึกต่อสิ่งนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่นั่นเป็นความจริงแท้มันจะดำรงอยู่ตลอดนะเอาละ่ะทีนี้พระธรรมมีสองลักษณะคือเป็นความจริง แท้และความจริงเทียมสมมุติว่าร่างกายของเรามันเป็นความจริงเราจะรู้ได้ไงว่าความจริงนั้นมันเป็นความจริงแท้จริงเทียมอันนี้ก็ต้องพิสูจน์นะความจริงของคนนั้นใช่หรือไม่ใช่ความจริงคนนี้บางคนก็ต่างมีความจริงเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีความจริงแท้ความจริงเทียมนะก็ต้องมาแยกกันอย่างนี้ว่าอันไหนที่มันคงทนอยู่ได้เป็นความจริงแท้อันไหนที่คงทนไม่ได้เป็นความจริงเทียมสิ่งใด สิ่งไหนที่คงทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นก็จะทําให้เราเป็นทุกข์เช่นร่างกายเนี่ยเอามันความจริงของร่างกายมันต้องการอะไรต้องการข้าวปลาอาหารที่ถูกสุขลักษณะใช่ไหมเป็นของจริงของมันสําหรับร่างกายแต่วันไหนที่เราใช้ของที่เป็นความจริงเทียมเข้าไปเช่นหมากพลูบุรีเหล้าเอาเข้าไปในร่างกาย แล้วสิ่งนี้เป็นของแท้ไมไม่จริงเพราะอะไรเพราะร่างกายไม่ต้องการมันเข้ากับร่างกายไม่ได้แต่ทำไมมันชอบอ่ะก็เพราะว่าเราไปคิดว่ามันให้ความสุขนะเป็นความคิดเป็นความจริงเทียมของความจริงเทียมมาด้วยความคิดที่เป็นความจริงเทียมเหมือนกันอันนี้คือผ้ะธรรมนะถ้าหาความจริงแท้เราพึ่งได้พึ่งความจริงนะทเราพูดความจริงเนี่ยพึ่งได้ถ้าพูดความเท็จพึ่งไม่ได้เพราะ มันจะทํำลายเราด้วยแต่ความจริงแท้มันจะช่วยเราะโอ้คนนี้เขาซื่อสัตย์นะโอ้คนนี้เขาสอจริตนะเป็นไงคนก็ยอมรับนับถือก็ ม, มีที่พึ่งใช่ไหมโอ้คนนี้ใช่ไม่ได้มันโกหกหลอกลวงมันปิ้นป้อนมันไม่ซื่อคนก็ไม่ต้องการเพราะไม่มีที่พึ่งแล้วใช่เพราะมีความจริงเทียมอยู่ในร่างกายเยอะในจิตใจเยอะอแต่คนนี้มีศีลมีธรรมโอกคนก็อยากคบอยากหาอยากใช้อยา ก, าย อ, ยากอยู่ใกล้ เพราะว่าพึ่งได้นะเอาละทีนี้พระสงฆ์บังพระสงฆ์ก็มีสองลักษณะพระสงฆ์โดยสมมุติเดียวพระสงฆ์เทียมๆพระสงฆ์โดยประมัดพระสงฆ์แท้แต่เขาม่เรียกภาษาของอาลีว่าอริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์นะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอริยสงฆ์เป็นยังไงสมมุติสงฆ์เป็นยังไงถ้าหากว่าสงฆ์ภายนอกเนี่ย ท่านต้องพึ่งเราแต่ว่าสง์ภายในเําว่าสังฆะตั้งแต่สี่ฉนบอกพระสงฆ์พระตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปเรียกพระสงฆ์นะอันนั้นเป็นสมมุติแต่พระสงฆ์ที่โดยปรมาทิเราสวดทุกวันว่าอย่างไงนหะนึ่งพระสุปฏิปันโนใช่มสองพระปุชุปฏิปันโนสามพระยายะปฏิปันโนส พระสามีจิตปฏิปนุนี่พระสีองค์นี่พึงได้แล้วต้องจํากัดไหมว่าพระสี่องค์นี้ต้องอยู่กับคนห่มผ้าเหลืองเท่านั้นจํากัดไหมไม่จำกัดแม้แต่เราห่มผ้าเหลืองผ้าลายผ้าขาวนี่ก็มีได้ใช่ไหมพระสี่องค์เนี่ยอ่าถ้าสี่องค์เนี่ยสุปฏิปนอุชุปฏิปนุยายาปฏิัตุสามีจิตปฏิปนอยู่ในจิตใจคนใดคนนั้นเรียกว่ามีพระสงฆ์แท้ อยู่ในใจแต่ถ้าเราไปนับถือพระสงฆ์องค์ใดองคหนึ่งว่าเป็นที่เคารพนับถือแล้วก็ไม่มาสนใจพระสงฆ์แท้ของเราเนี่ยไปสนใจแต่พระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกเรียกว่าเรากราบไหว้พระสงฆ์เทียมคือเทียมหมายความว่าท่านอาจจะมีสิ่งนั้นในใจก็ได้แต่บางเอิญว่าพระสงฆ์เทียมคือพระสงฆ์ที่ห่มพระเหลืองเนี่ยมีคุณธรรมี่อย่างนี้ด้วยเราเรียกว่าพระ อริ ย, ยสงฆ์แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมสอย่างนี้ในใจหรือมีไม่ครบเราเรียกว่าสมมุติสงฆ์หรือมีเหมือนกันไม่ไม่เต็มที่สุปฏิปโนแทนที่จะเป็นผู้ปฏิปฎีปฏิบัติชอบร้อยเอร์เซนท่านมีเพียงห้าสิบอร์เซตก็พระสงฆ์แท้ห้าสิเอร์เซเทียมแค่ห้าสิเปอร์ซ็นต์ะว่าตามนั้นญาญาปฏิปโนท่านมีห้าสิเอร์ซนอีกห้าสิเปอร์ซตไม่ใช่เราก็จะต้องแต่ถ้าหากว่า เราไปพึ่งพระสงฆ์อริเจ้าข้างนอกเนี่ยพึ่งได้ตลอดไปไหมไม่ได้ก็พระอริสงหลายท่านตายไปแล้วใช่ไหมเราก็พึ่งท่านไม่ได้แต่เราถอดเอาความเป็นสงฆ์แท้ในตัวท่านมาไว้ในตัวเรานันความเป็นสงฆ์แท้คือสงฆ์ที่เป็นปรามาจา์ดได้แก่อะไรปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาออกจากปัญหาปฏิบัติเพื่อปรับ กายปรับใจให้อยู่ด้วยสติปัญญาเสมอนี่เป็นสงฆ์แท้ในใจทุกคนมีอยู่แล้วอันนี้พึ่งได้ดังนั้นเราเพึ่งพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นคุณธรรมหรือที่เป็นปรมาทิต์ซึ่งมีอยู่แล้วในกายในใจเราต้องแสวงหาข้างนอกไหมตราบใดที่เยายังไม่พบพระรันาตนตรัยในใจเราเราก็ต้องวิ่งหาพระรันาตนใจข้างนอกอยู่เรื่อยไปนะ จนกว่าเราจะอาศัยรัตนะสามข้างนอกเนี่ยแล้วไปเอาแก่นแท้ความเป็นสังขาแก่นแท้ในพระสงฆ์ผู้ประทําพระสงฆ์นั้นมาไว้ในตัวเราเสียส่วนที่เป็นเทียมคือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นลูกก็แก่ไปตายไปหรือไม่ทันแก่ไม่ทันตายท่านเกิดเบี้ยวเกิดบิ ด, บดเกิดป่วยเกิดวิบัติเกิดเสื่อมขึ้นมาท่านก็ไปตามทางของท่าน แต่เราได้แก่นแท้ของท่านมาไว้ในใจเราก็พึ่งตัวเราเองนะดังนั้นอันนี้คือที่พึ่งด้านจิตใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่พอแต่นั้นนะในบทของเขมาเขมะสู่ท่านบอกว่าโยพุทธทันจะธรรมมันจะสร้างทันจะสรณนังคาโตจตาริอาริยสั จ, จานิสัมมปัญญายปสติทุกขัางทุขะสมุทโยทุขสัจจะดิการัง อริยจัตถีขั้งมักขังทุกคู่ปัสมะคาม่นังนะฉันบอกว่าที่ถืออภ菩提ธรรมเป็นที่พึ่งนั้นได้แก่ถึงเอารู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกรู้การดับทุกรู้วิธีการดับทุกนี้คือพระพุทธสมพระธรรมพระสงฆ์พรานั้นย่อลงมาพระสงฆ์สี่องค์แท้ๆนะที่เราสามารถมาทําได้คืออะไรอริสัตถีเห็นไหม คืสังขะคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่แล้วรู้ทุก์ในตัวเราทุกเกิดขึ้นรู้แล้วที่มามันคืออะไรรู้อีกแล้วแก้ไขได้ด้วยรู้เอาแก้ไขเอาทุกนั้นออกด้วยแล้วก็สามารถดําเนินต่อเนื่องกันได้ตลอดเวลาเรียกว่ารู้ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือสังขะในตัวเราก็ยังเยอะอยู่บางคนจําไม่ได้ใช่ไหมโออันนี้ทุกนะสมุทัยนิโรธมรรคจาไม่ได้แล้วมันแปลว่าไงเป็นบาลีจําไม่ได้ ก็ให้ยอดอสี่ให้เหลือสองอีกแลวนี้เหลือสองให้เหลืออะไรสั้นที่สุดนึกออกอะไรอ่ะต้องนึกออกนะเหลือรูปกับนามกายกับใจสมมุติหรือปรมัตา์นะให้ให้เหลือลึกๆแล้วคือเหลือรูปกับนามคือเหลือกายกับใจเหือสองในส่วนไหนที่เป็นทุกข์และเหตุเกิดทุกข์มาจากรูป ไว่ารูปที่เกิดกับกายหรือรูปที่เกิดกับใจก็ตามมันก็จะเป็นทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมแต่ในส่วนไหนที่มันเป็นนิโรธและมรรคอันนั้นเป็นตัวดับทุกข์และตัวทางการดับทุกข์อันนั้นที่ไม่มีรูปอยู่เลยเขาเรียกว่านามดังนั้นการดับทุกข์และวิธีการดับทุกข์จึงเป็นนามทุกข์และสมุทัยก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาที่รูปกับนามง่ายไหมทีนี้ ง่ายขึ้นนะแต่ว่าการที่เรามาย่อเหลือสั้นๆเนี่ยต้องทําให้ชัดนะเพราะมันเหลือน้อยต้องทําให้แม่นทีเดียวแหละนะของทําคําของมากให้เป็นของน้อยทําของน้อยให้เป็นของจริงเหมือนโยมไปเห็นเขาขุดแร่นะโอ้โหได้มาต้องรถบรรทุกเลยนะในนี่มีอะไรแร่ใช่ไหมแล้วแร่แต่ทนนี้เขาว่าแร่ดิบมีอะไรบ้างอิฐปูนหินดินทรายอะไรรัง เสร็จแล้วเอาแร่ดิบพวกนี้มาไปีงัยมากันกองเอาเอาสิ่งที่ไม่ใช่แร่ออกไปมาเข้าเตาหลอมก็เหลือแต่แร่แท้แท้และในแร่แท้แท้นี้ก็เอามาประดิษฐนะ์เป็นสิ่งที่ต้องการเป็นเล็กเข้ามาอีกเห็นไหมทําดินที่แร่ปนดินมาเป็นแร่แท้แท่จากแร่แท้มาสิ่งที่ใช้ได้ นั่นเขาเรียกว่าทำของมากให้เป็นของน้อยทำของน้อยให้เป็นของจริงทำธรรมะทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันระธรรมเหลือแค่สี่และทำสี่เหลือแค่สองที่จะสองจะเหลือแค่หนึ่งได้ไหมเหลืออะไรช่วยคิดอย่าให้จะมาพูดคนเดียวไม่ได้นะช่วยกันคิดให้เหลืออะไร ตรงนี้ต้องไปหาเอาเองมาบอกมาถึงเยอต่อไปบอกไม่ได้นะเพราะทุกคนจะต้องบอกตัวเองเห็นด้วยตัวเองถ้าออกมาบอกไปก็ไม่ใช่ถ้าบอกไป น, นั้นเป็นของอาตมาไม่ใช่ของโยมเพราะนั้นของโยมต้องไปหาเอาเ อ, าเองนะอันนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นที่สุดประเจนนะเอาละ แต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็คือเรามาแสวงหาที่พึ่งและที่พึ่งมีสองอย่างคือที่พึ่งทางกายและที่พึ่งทางใจนี่สรุปนะส่วนที่พึ่งทางกายนั้นพึ่งได้เป็นบางครั้งบางข่าวเรียกว่า <Want> ที่พึ่งเทียมใช่ไหมแต่มาที่นี่โยมทุกคนมานั่งที่มีที่พึ่งเทียมกันหมดแล้วแต่เราก็ยังทุกอยู่ เรายังมีปัญหาอยู่ยังเดือดร้อนอยู่ยังวุ่นวายยังสับสนยังมิตัวกังวลยังคิดมากอยู่เราก็ต้องหาที่พึ่งอันต่อไปเรียกว่าที่พึ่งแท้ดังนั้นวันนี้เรามา <c oughs> ต้องการมาที่นี้ต้องการมาหาที่พึ่งที่แท้ที่มาก็ถามต่อไปว่าที่พึ่งที่แท้นี่คืออะไรจาได้นะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีทั้งแท้ด้านและทเทียมอีพระพุทธพระสงฆ์พระธรรม ผู้ประทัประสงค์ที่เทียมคืออะไรก็คือในส่วนที่เป็ น, นรูปนะผู้ปะทับประสงค์ในส่วนที่เป็นแท้น่คือในส่วนที่เป็นนามและในส่วนที่เป็นนามนี่เองเอามาแยกเป็นสภาวะทั้งสองอย่างคือภาวะนามที่ยังมีรูปแทรกอยู่ก็คือทุกข์และสมุทัยและนามล้วนๆคือนิโรธและมรร และทั้งสองอย่างทั้งรูปนามนี้ก็ต้องเอามาทำสิ่งที่ปรากฏในตัวเราขณะนี้เราเห็นหมขณะนี้สิ่งที่ปรากฏในตัวเราคืออะไรสบายหรือไม่สบายไม่สบายใช่ไหมปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้อับอ้าวอัดเครียดตึงอ่าอันนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์มีเหตุไหมอ่ะมีเหตุก็คือหาเหตุทีนี้หาเหตุ เวลานั่งเป็นทุกข์เหตุมันเพราะอะไรนั่งนานเกินไปอ่าเหตุมันคือนั่งอิริบุตรเดียวใช่ไหมเหตุทองมันอ่ามาทําให้ไม่สบายและทีนี้จะทำไอ้ความไม่สบายที่เกิดขึ้นขนาดนี้เราแก้ไขบําบัดมันได้ไหมอันนี้จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วนะความไม่สบายที่เราประสบขนาเนี้เราแก้ไขได้ไหมบาบัดได้ไหมได้เราก็แก้ไขบําบัดออกไปทางกายแก้ไขบําบัดง่าย เพียงแต่พิกแต่เปลี่ยนมันก็หายใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าความไม่สบายทางกายมันซึมซับเข้าไปข้างในไปสู่ใจโอ้หืดอัดขัดเครื่องไม่สบายสู่นอนเล่นที่บ้านไม่รู้ไม่รู้เรามาทําไม อ, อยากจะอ่ากินก็ได้กินอยากจะเล่นมาที่นี่ฟื้นหมดเลยนี่หมาความความไม่สบายทางกายมันซึมให้เข้าไปถึงจิตจิต ก, ก็จะคิดทีเนี้ยคิดก็จะเป็นสมุทยัยเป็นทุกข์ ทุกทางกายสมุทัยทางจิต น, นี้แก้ไขบำบัดไปเรื่อยๆแต่ในส่วนที่เป็นผลคือส่วนที่จากการแก้ไขนั้นเรียกว่ามัชเป็นมักเพราะนั้นมักก็คือจะต้องทำบ่อยๆทำไมจึงทำมักบ่อยๆมักก็ต้องทำบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่า ตลอดเวลาเนี่ยรูป ก, กับนามที่เขาอาศัยกันอยู่เนี่ยเราแทบจะกล่าวได้ว่ามันเป็นอันเดียวกันเวลาขาเจ็บเราไม่ได้เจ็บขาใจมันเจ็บด้วยเราไม่ด้ฉันเจ็บนะฉันปวดฉันสบายฉันไม่สบายมันมีตัวนี้เข้ามารับเป็นรวมเป็นฉันปวดเราจึงเรียกว่าอัตตาใช่ไหมตัวตนของเราเองมันมาเป็นตัวตนของเราเอง นี่คือเป็นสมุทัยที่ให้เกิดทุกข์คืออัตราตัวตน <ๆ S 1> ทีนี้การที่เราจะเอาอัตราตัวตนความสำคัญผิดในทุกข์ทั้งหลายว่าเป็นเราเนี่เองเราต้องไม่ใช่ไปผ่าเอาทุกข์ออกจากกายจากใจได้แต่มาถอนเอาสมุทัยคือเอารากของมันออกรากของความทุกข์คืออะไรสุขเนี่ยมันก็มีมัดใช่ทุกข์มันก็มีมักมัดของทุกข์ มรรคของสุขอมรรคของสุขเขาเรียกว่าอริยมรรคใช่ไหมถ้ามรรคของทุกข์เขาเรียกอะไรอมรรคของทุกข์เขาเรียกว่าอนาริยมรรคคือมรรคที่ไม่ไปเสริอมมรรคที่ประเสริอมแปดประการก็ได้แก่นั่นเนี่ยที่เราจํากันได้ว่าสัมมาทิฏี่ขึ้นไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามรรคของทุกข์อ่ะมันก็ตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏี่ สิ่งที่ตรงข้ามสมาธิทิฏฐิเราเรียกอะไรวิชาทิฏฐิใช่ไห ม, มเห็นถูกเราไปเห็นผิดเสียคิดถูกเราก็ไปคิดผิดเสียใช่ไหมพูดถูกเราก็ไปพูดผิดเสียทําถูกเราก็ไปทําผิดเสียพยายามถูกเราก็พยายามผิดเสียเลี้ยงชีวิตถูกเราก็ไปเลี้ยงชีวิตผิดเสียดำริถูกเป็นดํำริผิดมันตรงกันข้ามหมดเลยนั่นคือสมุทยัยของสุขและสมุทัยของทุก ถ้าในส่วนที่เป็นสมาเป็นสมุทยัยเป็นเห็นให้เกิดสุขหรือหรือไม่ทุกข์ถ้าหากว่าเราทําเป็นมิจฉาคือทําไม่ถูกก็จะทําให้เราเกิดทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่ไปที่มาดังนั้นในเจวันนี้ในหวันนี้เราจะใช้หลักสูตรที่สั้นและก็พยายามเลือกสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสิ่งแวดล้อมนะที่นี้มาว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะ คือเป็นหนึ่งก็คือไม่มีเสียงรบกวนได้แล้วใช่ไหมคือหมายความว่าไม่มีเสียงรถเสียงเรือรบกวนมันอยู่เหมือนในเหมือนวันนอกนะแต่อยู่ใกล้เมืองแต่เหมือนว่านอกเออเป็นสปอยาที่ดีมากสองเรามีที่โล่งกว้างมีสายทัดกว้างขวางมีลมผ่านโดยตลพาแต่ว่าอันที่สมคือลมเงาต้นไม้น้อยไปหน่อยใช่ไหมอ่าถ้าไปดื่มลมไม้เยอะเยอะกว่านี้น่ยมันก็จะเย็นเพมันจะออกซิเจนสูงลมพัดเข้ามาบ่อย อันนี้เราขาดไปความสงัดเพียงพออาหารการกินไอความที่เหมาะสมเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างหนึ่งอาวัตสัพยะที่ตั้งที่อยู่อาศัยสมบกสงัดแต่ขาดไปบางอย่างก็คือความร่มรื่นตามที่ต้องการไม่มีไม่เป็นไรนะเราอาศัยความร่มรื่นใน้ดสองันแรกเลยอะอาวัตสองอาหารสัพยะไม่ขี่คุณชุนันทาบอกว่าเเรื่องอาหารการกินไม่มีปัญหาทางแม่ครัวทางเจ้าของบ้านจัดการได้สบาย สปุคละสัพพยะบุคคลที่มาร่วมปฏิบัติ น, นี้มีแต่บุคคลไปฝ่ายในทางเดียวกันคือใยปฏิบัติใยในทางที่จะเจริญความรู้สึกตัวด้วยกันไม่มีใครมาสร้างตอก่อปัญหาหรือไม่มีใครมาขัดแย้งไม่มีใครมาสร้างวิธีการอะไรที่มาทําให้สับส น, นไม่มีนี่เรียกว่าบุคคลรอบข้างสะดวกสบายเทั้นั้นเรียกปุคละสัพพยะส า, าสธรรมสัพพยาวิธีการที่เร า, านํามาเสนอที่นี่เราใช้วิธีอะไร วิธีแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวจึงเหมาะสมกับคนทุกคนนะเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวตอนเช้าจะมาคุยกับพระมาถามว่าถ้ามีโยมถามท่านว่าท่านไปสอนพายมยกมือเคลื่อนไหวเนี่ยท่านจะตอบว่าไงว่ายกมือไปทําไมทําไมต้องยกมือทําไมไม่นั่งหลับตาทําไมไม่นั่งขาซ้ายทับขาขวาตั้งไคยตรงดารงมีสติบัานทำไมไม่นั่งแบบนั้นทําไมต้องนั่งหลับตาแล้วท่านจะตอบว่าไงถ้ามีโยมโยมตอบว่าไง เพราะฉันเพิ่งมาปฏิบัติฉันยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทําไมต้องยกมือใช่ว่าอันนี้คือคําตอบนะเนี่ยมาตอบแทนแต่พระท่านทํามาแล้วเนี่ยพระจะต้องมีคําตอบคําตอบก็คือว่าการที่เรายกมือเนี่ยทําไมไม่ใช้ตัวความสงบเงียบเรายกมือเพื่ออะไรเพราะว่าฐานที่เราอยู่ขณะเนี้ย เราตลอดเวลาเนี่ยเรานั่งไปนานๆเรารู้สึกสบายขึ้นเรื่อยๆหรือว่ารู้สึกไม่สบายขึ้นเรื่อยๆตามความเป็นจริงใช่ไหมไม่สบายขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมตินั่งสงบเฉยๆจิตของเรามันก็จะไปเกาะ อ, อยู่ที่ความไม่สบายความไม่สบายนี้ตามภาษาบาลีเรียกว่าทุกขเวทนาใช่ไหมเมื่อเราจิตของเราไปเกาะเกี่ยวกับความไม่สบายเนื่องจากความไม่สบายตัวนี้มันเป็นกฎของอะไร แต่รักใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาทางกายถ้าจิตของเราไปจับอันนีจังทุกขังอนัตตาทางเดียวเนี่ยมันจะเข้มมากเมื่อมันเข้มมากจิตของเรามันยิ่งปวดยิง่งเมื่อยิ่งหนักจิตของเราก็จะถูกไปไงบีบไปตามอาการของทุกข์ดังนั้นคนที่เพิ่งศึกษาใหม่เนี่ยยังไม่มีประสบการณ์มากยังไม่สามารถแยกออกระหว่างรูปกับนามกายกับใจสติกับเวทนายังแยกกันไม่ออก เพราะนั้นจะจะไปเพ่งเอาไปเพ่งเอาตัวทุกเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเพ่งคือตัวรู้เนี่ยยังไม่เข้มแข็งถ้าสมมติตัวรู้เราเข้มแข็งแยกเวทนาออกสติแยกเสเดียแยกรูปออกจากนามถ้าพูดออกมาว่าแยกรูปออกจากนามก็คือแยกเวทนาเพราะเวทนาเป็นรูปนามคือสติถ้าแยกรูป ก, กับนามได้คือแยกสติกับเวทนาได้กันแต่ปัจจุบันนี้อันนี้ลมพัดระคังลมให้ไอสัญญาณระคังัมระคัง เอาเลยเอาทําให้นี้อยู่เลยหมดเวลาแล้วยังไงเอาให้ตรงไปเอากระขังเอาเลยม า, อาไอ้สัญญาหมดเวลาพูดได้อย่างนี้ก็ทําให้ช็อกอยู่เลยนะเอาล ะ, ะทีนี้การแยกเวทนาสติออกจากกันได้เนี่ยเราจะต้องมีอะไรมาแยกนะผมบอกว่าเต้งแหลฮะความรู้สึกระหว่างตรงนี้ทําให้ชัด ก, กันนะว่าที่เรานั่งทับอยู่ที่คือ น, นั่งทับ เวทนาคือนั่งทับความไม่สบายอยู่ใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าไม่สบายแล้ว เ, เพ่งจิตไปที่ความไม่สบายจิตเราจะสบายขึ้นไหมกายก็ไม่สบายจิตก็ไม่สบายใช่ไหมพอไม่สบายมันก่อให้เกิดความอะไรความเบื่อหน่ายความขี้เหียดความหงุดหงิดความไม่สนุกสนานใช่ไหมความไม่แช่มชื่นความหดหู่ความม่วงเงาตามมาเป็นพรนเลยนั่นคือเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์ใช่ไหมเป็นให้เกิดนิวรณ์ตามมา ทีนี้ด้วยวิธีที่เราทำเนี่ยจะโดยการบังเอิญของพระเทียนหรือจะโดยการตั้งใจก็ตามแต่อัตมามหาเหตุผลได้ว่าดังนี้นะว่าเมื่อเรามีความกายเนี่ยมันตกเป็นธาตุของอนิจจังทุกขังนัตตาแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่สร้างตัวยานปัญญาขึ้นมาที่จะพาระหว่างความรู้สึกที่เป็นเวทนาและความรู้สึกที่เป็นสติออกได้เนี่ย เราจะใช้รูปแบบของการนั่งดูเวทนาไม่ไปไม่ได้สำหรับธรมานะแล้วเขาค่าอยเอาไปทดสอบกับผู้อื่นก็ยากอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรายกมือขึ้นมาเนี่ยใช้ ย, ยกมือยกเท้าเนี่เป็นการแบ่งจิตของเราที่มันจะไปถือเอาเวทนาเป็นตัวตนเนี่ยให้มาอยู่กับการรู้สึกในสุดเรียกว่าบาลา น, น่ะนะถ้าเราโฟกัสจิตไปที่ความรู้สึกหนักหรือปวดเนี่ยรอยเเ จิตถูกบีบใช่ไหมแต่พอเรามีการสร้างอวัวะส่วนได้ส่วนหนึ่งขึ้นมาบาลานซ์มันจิตของเราแทนที่จะส่งไปตรงนั้นร้อปซไปไงก็ส่งมาตรงนี้ห้าปเซตรงนั้นก็เหลือห้าเซตเบาลงไหมเบาลงแทนที่เราจะแบกกระสอบข้าวกระสอบเดียวร้อยกิโลใช่ไหมแบกข้างหน้าแค่ห้าสิบกิโลแบกข้างหลังอาไปสบายกว่าแบกนะนนี้คือเราก็เลยไม่ได้แบกทุกคนทั่วไปเขาอยู่ในภาวะที่แบกทุกแต่คนมานักปฏิบัตินี่เยเขาเรียกว่า ตอนแรกต้องหาบทุ ก, ก่อนนะเลิกจากแบ่งมาเป็นหบับพอเลิกจากหับก็มาเป็นปล่อยเป็นวางได้นะเอาละทีนี้เราจะหเหตุผลว่าทํำไมเราถึงยกมือยกมือเพราะทุกคนที่ยังไม่สามารถแยกความรู้สึกตัวกับความรู้สึกปวดนี่ออกจากกันได้มัยังไปถือว่าเป็นอันเดียวกันอยู่ดังนั้นการที่มาสร้างอวิวะสุนใดส่วนหนึ่งให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วมีเจตนาตามรู้การเคลื่อนไหวนั้นเป็นการแบ่งความ บแบ่งความรู้สึกของจิตที่ไปยึดเอาความไม่สบายร้อซให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี่สักส่วนหนึ่งมันก็จะทุกข์ทางเดียวคือทุกข์ทางกายใจไม่ทุกข์เพราะใจมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราเผลอใจหูุ้ดออกจากการเคลื่อนไหวข้อมือไปไงมันก็เข้าไปอยู่กับทุกข์ตัวนั้นอีกใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องแบ่งออกมาตรงนี้ถ้าจะถามว่าเอาใช้ลมหาย ใ, หใจแบ่งได้ไหมพระอาจารย์ได้เใช่ไหม ถ้าสมมติเอามาจะถามโยมว่าเอามาเอาไมา้ามาท่อนหนึ่งขนาดนี้ยไม้เล่มท่อนสมมติท่อนเอาขานะเอามาเอามีดเล่มหนึ่งที่คมมากแต่มันเป็นมีดโกนมีดโกนหนวดให้เามาผ่าไมา้ท่อนเนี้ยถามว่ามันคมมากจะผ่าได้ไหมเพราะอะไรมันคมมากอะ่ะทําไมผ่าไม่ได้มันขาดอะไรตอบให้ชัดคมก็มีอะแล้วมันขาดอะไร อาดกำลังขาดน้ำหนักอ่ดังนั้นความรู้สึกตัวที่เป็นสติกับลมหายใจเนี่ยมันเหมือนคมเหมือนมิดโกนแต่ว่ามันไรน้ำหนักมันจึงไม่สามารถจะไปแยกทุกเวทนาออกจากความรู้สึกตัวได้ชัดเจนแต่พอมาใช้ความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมือเป็นงไงมันหนักมันเป็นหนักนวงเหมือนกับมีอีโต้หรือเหมือนขวานผ่าพวเดี๋ยวนี้ทะลุเลยนี่ เพราะฉะนั้นหรือไม่แปลกใจว่าทําไมหลวงพ่อเทียนถึงเลือกใช้สิ่งนี้มาเป็นนิมิตนะแล้วก็ไม่ให้หลับตาด้วยนะลืมตาเอออันนี้เหตุผลนั้นที่สองอ่ะหลับเขาก็ถ้าไม่หลับตาจะเป็นกรรมฐานได้ยังไงใช่ไหมที่เราได้เคยฟังแต่นี่ลืมตาเมื่อเออถ้าถ้าลืมตาไม่เป็นกรรมฐานต้องหลับตาที่จะเป็นกรรมฐานทําไมต้องหลับเรา ทำสิ่งใดก็ตามในฐานะเป็นชาวพุทธเราจะต้องมีคําตอบสิ่งนั้นชัดเจนนะไม่ใช่วาเห็นเขาทำมาก็ทํานะถ้าว่าดีก็ดีตามเขาแล้วก็ทําตามไม่ได้นะเราเป็นชาวพุทธจะต้องรู้จักเหตุจกผลในสิ่งนั้นด้วยตัวเองชัดแจง้งวา่าทำไมต้องหลุดตาทำไมต้องลืมตาต้องมีเหตุผลทําไมต้องหลับตาก็ต้องมีเหตุผลและเหตุผลทั้งสองอย่างอันไหนมีน้ําหนักมากกว่ากันถ้ามันถูกต้องเหมือนกันก็อย่างที่กล่าวว่าระหว่างมีดโกนกับอีโต้เนี่ยอันไหนน้าหนักมากกว่ากัน คงเหมือนกันในสองงานนะแต่ต่างน้ําหนักกันนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่เกิดจากลมหายใจได้ความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวมือเนี่ยก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าน้าหนักมันต่างกันนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงกล้ารับรองว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าถ้าคุณจับความรู้สึกตัวไปอย่า ง, างต่อเนื่งองตลอดเวลาเป็นลูกโซ่ทางทางกายเวทนาจิตธรรม ความทุกข์ของคุณจะหมดหรือลดหรือหมดไปภายในเจ็ดปีแต่หลวงพ่อเห็นมารับรองกี่ปีสามปีนะเอ๊ะทำไมเอ่องั้นก็ไปหลวงพ่อเห็นก็เก่งพูทดีแกนะ่เนี่ยไม่ใช่แต่เพราะหาวิธีให้มันชัดขึ้นแต่นั้นท่านพูดถึงคนทั่วไปแต่ถ้าสมมุติเราวิธีใดก็ตามถ้าขาดเงื่อนไขที่ท่านว่าเอาไว้เนี่ยไม่สมบูรณ์นะอ่า จเจริญสติเหมือนกันแต่ต่อเนื่องไม่เป็นลูกโซ่จเจริญสติเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สมมาถสติอย่างนี้ต่อให้ห้าปีเจปีส0ปี2ีป่ปีก็ไม่สามารถจะถลดรับตัดทุกได้นะเอาละทีนี้ถามว่าเมื่อเรารู้ว่ากายนี้เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งของตรล์คืออนิจจงทุกขังหน้าตา ถ้าหากว่าเรามีญาณปัญญาสามารถเป็นส่วนป้องกันเป็นฉนวนป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทางกายเนี่ยทะลุถึงจิตและไม่ให้ความทุกข์ทางจิตทะลุถึงกายเรียวกเส ม, มือนเราเอาน้ำร้อนในเซนใส่กระติกน้ำร้อนน้ำร้อนที่อยู่ในกระติกน้ำร้อนมันก็จะไม่เย็นและเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปมันก็จะไม่ละลายมันก็ยังแข็งอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมีฉนวนคอยกัน้น อันใดความทุกข์ที่เข้ามาจับกายก็ดีมันก็อยู่แต่กายมันไม่ทะลุถึงจิตความทุกข์ที่มาจับจิตมันก็จะไม่ทะลุถึงกายเพราะมีฉนวนคือตัวญาณปัญญานี้เป็นตัวผ่าตัดลงไปกันไม่เข้าถึงกันดังนั้นหน้าที่ของเราต้องสร้างตัวรู้ที่เป็นญาณปัญญานี้ขึ้นมาเท่านั้นเองเพื่อที่มาผ่าตัวนี้ออกจากกันทีนี้วิธีสร้างทําไงอ่ามาถึงวิธีสร้างแล้วนะเมื่อกี้ว่าเหตุผลว่าทําไมกายความทุกกายไปจับจิตความทุกขจิตมาจับกายเพราะว่าขาด ตัวชนวนคือยานปาัญญาวิธีการสร้างยานปัญญาทำไงยานปัญญาเบื้องต้นเราใช้คาว่าสติสัมปชัญญะนะมีสติก่อนสติกับเวทนาต่างกันอย่างไรก่อนที่จะไปถึงตัวสัมผัญญานะมาเห็นความต่างสติกับเวทนาก่อนสติแปลว่าอะไรนะถ้าแปลตามหลักปริยัติว่าสติแปลว่าความ ระรึกได้แต่ถ้าสติแปลโดยปรมาติเม่กี้แปลโดยปริยัติคือตัวอักษรนะแปลว่าความระลึกได้แต่สติด้วยหลักปรมัติแปลว่าคว า, ว <c oughs> นะความรู้สึกตัวเห็นไหมยังมีสติแท้สติเทียมอีกนะความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวอันนี้ ที่เป็นเวทนาและความรู้สึกตัวที่เป็นสติมีความรู้สึกตัวมีสองอย่างหยุดฟังเพลงก่อนนะ เลดเล่ขายของหรือเปล่าหรอว่าชเลเลขายของนะเอาละถ้าสมมติว่าเสียงมากระทบหูเราเรารู้สึกปวดหูหรือรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจความรู้สึกมันกระทบหูเราไม่ได้เจ็บที่หูแต่ถ้าเราพอใจมันก็ไม่ได้ปวดที่ใจนะแต่ถ้าเราไม่พอใจเป็นไงก็เจ็บนะก็เจ็บที่ใจ เพราะนั้นผัสสะบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มากระทบแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดแต่ผัษสะที่นัานั่งกับพื้นมันแข็งเราสึกเจ็บปวดโดยทางกายผัดสะทางกายดังนั้นเวลาเราผัสสะอะไรกันรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบถ้าหากว่าเราไปส่งใจไปรับปั๊บเนี่ยนะความรู้สึกตัวก็จะหลุดลอย ดูลอยไปอยู่กับสิ่งนั้นะอันนั้นเรียกว่ามันเข้าไปในใจแล้วทําให้ใจเราไม่สบายแต่ในกรณีที่เราชอบอ่าโอ้ชอบเพลงนี้จังนะแล้วก็รู้สึกผสอนสบายเพราะแล้วก็ชอบความชอบก็เป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งความไม่ชอบก็เป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งเออถ้าความไม่ชอบเป็นความเจ็บปวดนี่พอฟังได้แต่ความชอบเป็นความเจ็บปวดนี่ฟังไม่ขึ้น ใช่อ่ทีนี้จะพิสูจน์ให้ฟังสมมติเอาวัตถุสองอย่างมาหนึ่งก้อนไฟทานก้อนถ่านไฟนะ ไ, ฟไดสองก้อนน้ำแข็งสามน้ำเปล่าระหว่างเราวางมือในวัตถุสามอย่างเนี่ยถามว่าวางวัตถุอันไหนสบาย อันไหนไม่สบายหนึ่งก้อนน้ำแข็งสองอ่างน้ําธรรมดาสาก้อนฐานไฟอันไหนสบายอันไหนไม่สบายวางมือเข้าไปในวัตถุสามอย่างเนี้ยอย่างและอันนะทีละอันวางบนน้อำแข็งสบายไหมนานๆไปไงมือใช่ไหมก็จะชาความชาเนี่ยถูกบังดลสอง วางบนก้อนถ่านไฟไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมชัดเจนสามวางลงในอ่างน้ําธรรมดาเป็นไงวางทั้งวันก็ได้ใช่ไหมวางน้องแข็งก็ไปถึงห้านาทีแต่วางบถ่านไฟไม่ถึงนาทีใช่ไหมเบินเลยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็จะมีสามลักษณะองี้ลักษณะชอบไม่ชอบชอบก็สบายอีกแบบหนึ่งไม่ชอบก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าหากว่ารู้เฉยเหมือนกับอ่างน้ําธรรมดา แช่ได้ทั้งวัดก็ไม่เป็นไรนะเพราะนั้นการรับรู้ของเจาก็มีสามลักษณะอย่างนั้นเอาละอันนั้นเป็นเหตุที่ปารากฏนะที่กลับมาว่าระหว่างความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนากับความรู้สึกตัวที่เป็นสติต่างกันอย่างไรคนใหม่ตามทันไหมตามฟังทันไหมอายุเพิ่งมาไม่ทันหรอกเนาะเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังมาเช้าวัไนะทันนะยุ่ไม่ทันนะที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจห เข้าใจนะเอาละตอนนี้เราก็มาถึงประเด็นนะว่าความรู้สึกที่เป็นเวทนากับความรู้สึกที่เป็นสติต่างกันเองก่อนที่จะไปถึงคําว่าสัมปชายายัญญะวิญญานปัญญาที่เดีตั้งประเด็นเอาไว้ว่าความรู้สึกที่เป็นเวทนาเราเห็นชัดรู้ชัดด้วยอะไรด้วยกายใช่ไหมแต่ความรู้สึกที่เป็นสติเรารู้ชัดเห็นชัดด้วยอะไรด้วยใจทีนี้ไอ้รู้ระหว่างรู้กายกับรู้ใจเนี่ย พอจะแยกกันออกไหมรู้สึกกายจะเป็นยังไงหนักหนักน่วงนวงใช่ไหมมีรสมีชาติแต่ถ้ารู้ทางใจเป็นไงมันเบาเบาไม่มีรสมีชาตินะบางเบาตรงนี้เองความรู้สึกที่เป็นสติอย่างชูงวุตวะาะมาเอื้อมมือไปจับปวดนี้มาความรู้สึกหนักเป็นอะไรเป็นเวทนา เป็นรูปหรือเป็นนามเวทนาในส่วนที่เป็นรูปและอีกอันหนึ่งรู้สึกได้ว่าประคองมันหนักแล้วก็รู้สึกประคองไว้รู้สึกหนักแล้วประคองไว้อย่างระมัดระวังไม่ให้มันตกไม่ให้มันพลาดแล้วก็ใช้ความแรงเท่าไหร่ที่จะกดให้พอดีความปรับให้มันพอดีอย่างชัดเจนอย่างนี้เป็นอะไรเป็นความรู้สึกที่เป็นเป็นสติเป็นสติ น, สตนะ แต่ความรู้สึกที่มันหนักตัวนี้เป็นเวทนาเวทนาเป็นรูปและเวทนาที่เป็นสติเพื่อเวทนาที่เป็นนามก็ได้แก่รู้สึกว่าจะต้องปรกครองให้ดีนะปกครองไม่ดีมันตกนะแล้วความรู้สึกที่เย็นก็ดีหนักก็ดีเป็นเวทนาและปกครองว่ารู้สึกหนักเท่านี้เย็นเท่านี้และต้องปรกครองพอดีให้เท่านี้เป็นสติใช่หรือยังใช่แน่นะ จะได้ต่อประเด็นต่อไปเอาละทีนี้เวทนาเนี่ยถ้าต่อไปนา น, นานเวทนามันจะพัฒนาเป็นตัวอะไรความรู้สึกที่หนักที่เย็นเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นอะไรต่อไปความรู้สึกพัฒนาเป็นอะไรเป็นความรู้สึกถ้ามันหนักต่อไปตอนแรกหยิบเนี่ยมันแค่หนึ่งกิโลใช่ไหมพอนานไปถือไว้สักสองชองั่วโมงน้าหนักที่อยู่ในมือมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เป็นสองกิโลถ้าถือไว้าสามชั่วโมงก็เพิ่มเป็น กิโลน้ำหนักในของมันไม่ได้เพิ่มแต่เพราะความอ่อนแอของกำลังตัวนี้มันทำให้น้ำหนักตัวนั้นเท่าเดิมแต่มันเพิ่มขึ้นเพราะมันมาความอ่อนของ ข, องของ้อนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเมื่อเรารู้สึกหนักแล้วความรู้สึกในใจเราบอกว่าไงอยากอยากสองอย่างหนึ่งอยากอะไรอยากวางสองอยากถือไว้ต่อไปส่วนใหญ่จะเป็นอะไรอยากวา นั่นเห็นหมมันทุกมันก็อยากแต่อยากที่จะถือต่อไปแล้วอยากจะวางอยากจะวางมากกว่าอันนั้นคือการพัฒนาการของอะไรของตัวเวทนาทีนี้การอยากจะวางเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เป็นรูปหรือเป็นนามความรู้สึกหนักมันเป็นรูปใช่ไม้มความรู้สึกที่อยากจะวางเอมันอยากเหมือนกันนะ อยากจะวางคืออยากจะวางให้รู้เสียก่อนเนาะเพราะอะไรจึงอยากวางเพราะมันหนักแล้วค่อยวางไปอย่างรู้สึกตัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสติแต่ถ้าเกิดว่าวางไปมันหนักระววางเลยเนี่ยเป็นอะไรเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมนั่งไปนานๆปวดขาพลิกไปเลยเป็นรู้สึกตัวแบบสัญชาตญาณเป็นองค์ภาวนาไหม ไม่เป็นแต่รู้สึกหนักขาเหมือนกันแต่พลิกอย่างให้เห็นการเกิดขึ้นของความสบายทิริทและการหายไปทิริทิษของความหนักเมื่อกี้แล้วเห็นการหายไปของความหนักันนั้นชัดเจนตัวนี้เวทนากลายเป็นอะไรกลายเป็นสติและสัมปชัญญะเพราะได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสุข ชัดเจนตัวนี้จึงเห็นความต่อเนื่องอย่างนี้ชัดเจนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรียกว่าสติได้กลายเป็นสัมปชัญญะถ้ายังไม่สะบสนนะความตั้งใจที่จะเข้าไปรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นสติแ ล, และรับรู้ก่อความต่อเนื่องอย่างการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งนั้นเป็นสัมปชัญญะลักษณะนี้มันจึงกลายเป็นญาณปัญญา เห็นไหมตัวนี้แหละที่จะไปเป็นฉนวนกั้นไ ม, มกกไม่ให้ความทุกข์กลางกายทะลุถึงจิตไม่ให้ความทุกข์ถึงจิตทะลุถึงกายและทําอย่างนี้บ่อยๆ ย, ยานประยาเป็นไงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจากยานที่หนึ่งเป็นยานที่สองที่สามที่4ี่ไปเรื่อยๆแหละเป็นยานที่ร้อยที่พันก็แล้วแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสมมุติผู้ใหม่เนี่ยไอการที่จะพลิกจะเปลี่ยนในร่างกายของเราเนี่ยการพลิกเปลี่ยนการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ย เรานับได้ไหมว่าหนึ่งชั่วโมงเรามีกา ร, รเปลี่ยนขึ้นไหวเท่าไหร่ทั่วตั้งแต่หัวจุเท้านะั่นนับได้ไหมไม่ได้ท่าเรียกว่าอาสงไขมันเยอะนะมันเยอะเป็นอสุนไขนับไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคนที่บำเพ็ญบา ร, รมีครบสี่อสงไขาสามกลับไม่ใช่แสนกลับนะสอสงไขาสามกลับคนนั้นก็จะบรรลุธรรมเป็นพุท ธ, ธพุท ธ, ธารู้ตื่นบิกบานก็อย แต่ว่าเรียกไปเรียกมาเสียสงไัยสามกลับเป็นเสียสงไข่สแลงแสนกลับนี่ภาษามันเพียนนะสมกลับกลับอะไรกลับตัวโลภะกลับตัวโทสะกับตัวมุหาให้เป็นตัวไม่มีโลภะหรืออโลภะอโทสะอะมหากลับมันเสะกลับจากโลภะโทสะมหาเป็นอะโลภะอะโทสะอะมหากลับมันแล้วจะเข้าถึงธรรมเสียสงไขย ยืนเดินนั่งนอนมีการขึ้นไหวในการยืนเดินนั่อย่างนับไม่ได้ อ, อาศุขัยเปลว่านับไม่ได้ใช่ไหมวันยืนเดินนั่งนอนเท่าไหร่กี่ครั้งและในอริยบทยืนเดินนั่งนอนมีการขึ้นไหวเปลี่ยนแปลงของเลือดของลมของอริยบทเล็กน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเท่าไหร่นับไม่ทันไม่ใช่นับไม่ได้เรื่องนับไม่ทันมันเยอะเหเกินนะนี่คำโบราณเอ า, าไว้ท่องบําเพ็ญบา ร, รมีสีอสองไขยสมกลับเพราะนั้นที่ว่าแสนกลับในผิดนะ ไม่ไมไม่ใช่สั่งเ ก, ก้กลับกายกับวาจากลับใจเสื่มให้กลับเอาราคโทสะโมหม์หายเป็นอาราอารูพระอาโทสะโมหะเสื่มให้แล้วก็จะเข้าถึงคำทีนี้ในเมื่อจิตใจของของเราเนี่ยมาคุ้นคิดพิจารณาในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ในใกายในใจตลอดเวลาเนี่ยมันมีโอกาสเฉละไปคิดเรื่องอื่นบ้างไหมมีไหมมีถ้ามันเผลอน่ยเออถ้ามันเผลอปั๊ปบมันลืมตัวนี้ปั๊บเนี่ยมมันก็ไปละ แต่หน้าที่ของเราทําไงกลับมาบ่อยๆการกลับมารู้ตัวบ่อยๆเราเรียกว่ามักแต่ไม่ให้เผลอเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันจะต้องมีเผลอคือเผลอเรียกว่าหลงเพราะฉะนั้นตัวเผลอกับตัวไม่เผล่ต้องมีอัตราส่วนที่เท่ากันตัวหลงกับตัวรู้มีอัตราส่วนที่เท่ากันแต่ให้มารู้ตลอดไม่หลงเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้เครียดเลยใช่ไหมรู้ตัวลตลอดเลยเครียดเลย ยงเคยเห็นไหมว่าเอาละบันไดที่เราพาดจากนี่ขึ้นไปสู่บ้านเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีขั้นเลยวางไม้เป็นเล่มขึ้นไปเลยเนี่ยกับมันมีขั้นขึ้นเนี้ยอันไหนขึ้นง่ายกว่าใช่ไหมร้อยทั้งร้อยอะ่ะมันก็มีขั้นทําไมจึงทำางนั้นเอาไม้ทั้งเล่มไปวางไม้กระดานแผ่นไปวางขึ้นเลยถามว่าขึ้นได้ไหมได้แต่ว่าเป็นไงมันยาก <laughs> เหมือนกัน ถ้าไอการรู้ตัวโดยตลอดเนี่ยมันเหมือนกับเอาไม้เป็นแผ่นไปวางโดยที่ไม่มีขั้นเลยมันรู้ได้เหมือนกันแต่มันยากเรียกว่าสมถะใช่ไหมให้รู้บังคับให้รู้ตลอดเป็นสมถะแต่ให้รู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างในอาาัตราส่วนที่เท่ากันเหมือนถ้าขึ้นยี่สิบเซนลาบก็ต้องยี่สิบเซนขึ้นยี่สิบลาบก็ต้องยี่สิเซนอาาัตราส่วนเท่ากันนะการขึ้นเป็นไง สะดวกดังนั้นวิปัสนาคือหลงครึ่งหนึ่งรู้ครึ่งหนึ่งอันนี้อาจจะมาพูดนะใครจะว่าผิดก็ว่าถูกก็ได้รู้ครึ่งหนึ่งคือมันมีเกิดครึ่งหนึ่งดับครึ่งหนึ่งอะเอามาคําว่ารู้ขลุ่เกิดก็คือรู้หลงก็คือดับรู้การเกิดดับนั่นที่ไปที่มาของมันไม่ใช่พูดเราเองเนะแต่มันพัฒนาตัวรู้ก็คือการเกิดขึ้นและตัวรู้รู้จากดับไหมพอตัวรู้ดับมันกลายเป็น หลงใช่ไหมมันก็เป็นไม่รู้แต่ในอาาัตราส่วนที่เท่ากันเวลาเราเปิดไฟนิออนใหม่ๆนีนะเปิดปั๊บเนี่ยถ้ากระแสไฟมาไม่ครบลักษณะเป็นไงมันกระพริบใช่ไหมพอมันครบรอบของมันแสงเป็นไงคําว่าครบรอบหมายความว่ามันได้อาาัตราส่วนของมันเท่ากันระหว่างขั้วลบกับขั้วบวกใช่ไหม การสภาวะทั้งสมมติท่้ารมณในใจเาก็มีสองขั้วขั้วเกิดกับขั้วดับขั้วเกิดได้แก่ Positive, โพซิทีฟโพขั้วดับได้แก่เนกาตี Negative, โฟโพนะแต่ถ้าจะมีแต่สายเดียวได้ไหมมีแต่สาย o พ i t i v e ไม่มีสาย Negative ได้ไหมไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไม เราจึงเอาการเกิดการดับการรู้การหลงนี้มาเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเพราะฉะนั้นวิปัสนาจึงเอาตัวรู้ตัวหลงคือเป็นตัวปรามัดเนี่ยครึ่งหนึ่งตัวสมมติครึ่งหนึ่งมาเป็นอารมณ์วิปัสนาตัวดับมันเป็นตัวสมมติตัวเกิดมันดูนตัวปรมัติเอามาด้วยกันอันนี้คือหลักนะอันนี้จะลึกไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ฟังไว้ก่อนก็แล้วกันนะีดังนั้นเวลาเราจะขยับ เขายื่นเคลื่อนไหวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะนับไม่ได้มันเยอะแต่พยายามรู้ให้มากที่สุดในอัตราส่วนที่เท่ากันกับความไม่รู้แต่ในชีวิตจักวันของเราที่เราปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวมาเนี่ยระหว่างตัวรู้กับตัวหลงอะไรอมันมากกว่ากันหลงมันมากกว่าขึ้นอย่างนี้มีคันนวัยชนิดเนี่ยขึ้นใช้ยาวเลยมีคั้นวัยชนิดหนึ่งมันก็ยิ่งยากเลยทีนี้แต่ตามที่มาบอกว่าให้อัตราส่วนการขึ้นเดียกัน เป็นขั้นให้เท่าเทียมกันหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นแต่ที่หลงไปแล้วตามรู้ใหม่การที่เราหลงมากกว่ารู้เราเรียกว่าสัญชตาตญาณ น, นะการที่เราหลงเรารู้ในอัจฉรส่วนที่เท่ากันเราเรียกว่าปัญญาญาณ น, นะการที่เรารู้มากกว่าหลงเราเรียกว่าจินตญาณหรือวิปสัสูนะพัฒนาหรือเป็นวิปลาสก็เลย มันรู้มากเกินไปนะเข้าใจไหมดังนั้นอันนี้คือเหตุผลนะ เ, เวลาเท่าไหร่ล้วเดี๋ยวอ่าสิบนาิกาเพราะมีเวลาอยู่เพราะเดี๋ยวจะสาธิตการปฏิบัติว่าสาธิตในการลุกการเดินการนั่งการนอนทำไงให้รู้แบบสึกตัวรู้สึกตัวให้ให้มากแต่เราก็ไม่ได้ห้ามความหลง นะเวลาเราจะทำอาหารนี่นะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งทำอาหารอร่อยที่สุดเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสเนี่ยแม่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดโดยที่ไม่ใช่ผงชูรสมีไหมมีนะนั้นหมายความแม่ครัวนั้นเป็นไงทำมาจนชํานาญมากๆเลยนั้นจะรู้สัดส่วนความพอดีใช่ไหมว่าอะไรใส่เราเท่าไหร่ในจังปุ๊บ ใส่พอดีหมดเลยเพราะเขาทํามาบ่อยชั้นใดก็ดีการรู้สัดส่วนของอาหารเนี่ยมันทําให้อาหารอร่อยการรู้สัดส่วนของความพอดีระหว่างรู้กับหลงมันจะทําให้ชีวิตเกิดตัวความปกติขึ้นมาความสบายขึ้นมาถ้าเป็นอาหารคือความ อ, าอร่อยชีวิตที่มีชีวาชีวิตที่ อ, อร่อย แต่อร่อร่อยที่เป็นไม่มีเหยื่อไม่มีอมิดมาร่อแต่มันมีความสุขสงบความเย็นความสบายในตัวของมันเองนะการที่เปรียบเมื่อครัวว่ามีทักษะในการปรุงอาหารให้อร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่สารกระตุ้นเนี่ยเรียกว่าความชำนิชำนาญการบริหารความรู้สึกตัวให้เกิดความสมดุลแต่พอดีนี่เราเรียกว่าญาณปัญญาถ้าเป็นตัววัตถุเราเรียกว่า สกิลลิ่งเนี่ยชำนิชำนาญหรทักษะนะถ้าเป็นนามธรรมาเราก็ยานอันเดียวกันนั้นหมายความว่าต้องรู้บ่อยๆเหมือนแม่ครัวจะทําอาหารอะอร่อก็ต้องทําบ่อยๆคือความชำนาญเราจะตัวยานปัญญาที่เกิดต้องทําความรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชำนาญในการสมดุลระหว่างตัวรู้กับตัวหลงได้นะอันนี้คือเหตุผลทั้งหมดว่าทําไมเราจึงมาทําความรู้สึกตัวชัด น, นะเอาละต่อไปการสาธิต สาธิตวิธีการสร้างจังหวะนี่ไม่ต้องสายทิศมั้งได้ทุกคนแล้วใช่ไหมโยมแม่มาทีหลังไปไงทําได้ไรเยยงี้ยได้แล้วใช่ไหมไหนทําให้ดูทุกคนทําให้ดูหน่อยแล้วได้จริงไหมได้แล้วถูกต้องไหมต้องเช็คเด้อเอ้าทุกคนสร้างจะงหวะพร้อมกันเอามาจะขอดูให้ชัดๆหนะ่อยคนไหนไม่เคยโยมยังไม่เคยเนาะแต่หมรู้เรื่องอย่างที่มาพูดทั้งหมดแล้นะ ฝังมามปนร้อยร้อยรอบแล้วแต่ยังไม่เคยทําอ่ะคนที่ยังไม่เคยสร้างเจ้าวะออกมาข้างหน้านี้มาโยมออกมาโยมด้วยไปกับท่านอันนอันพาไปอ่าไปไปก็ตามข้างไปไปข้าบนก็ได้ข้างหน้านี้ก็ได้ตามพระไปใครบ้างที่มาใหม่ที่ยังสงร้างเจ้าวะหรือปฏิบัติยังไม่เคยนะมีไหมมีสองท่านนะโยมเนี่ยนะเคยแล้วเนาะ เคยแล้วหรือแม่นั่งโนะ่นน่ะเคยแล้วนะโอเคมีสองท่านตาื้อเอาละทีนี้มีแต่คนเคยแล้วทีนี้คนเคยตอนนี้ลองลุกขึ้นยืนให้แต่มาดูดูลุกเป็นไหมลูกยังมีสติลูกยังไงลุกขึ้นยืนเห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นอะไรตั้งอยู่เห็นอะไรดับไปเห็นอะไรเกิดขึ้น เห็นความสบายเกิดขึ้นอย่าไปคิดมากเห็นอะไรตั้งอยู่สุขเวทนาแล้วเห็นอะไรดับไปทุกขเวทนาความไม่สบายหายไปความสบายเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรเวลาเรานั่งนานมันจึงไม่สบายเพราะอะไรหาคาตอบได้ไหมคนแต่ละคนมีน้ำหนักเท่าไหร่ นะสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบและน้ําหนักนี้มันไปทับขาของเราทั้งขาทั้งชุดเนี่ยบนวางอยู่เนี่ยหลายในทีหลายชั่วโมงขาเรารู้สึกเป็นไงมันก็กดทับไปเรื่อยเื่ใช่ไหมน้าหนักทั้งทั้งตัวของเราเนี่ยมันก็ทําให้เมื่อความหนักหน่วงทับลงไปเนื้อแข้งเนื้อขามันก็ทําให้ท่อเลือดท่อลมของเราไปไงตีบตันใช่ไหมถ้าตีบตันเลือดลมไหลผ่านได้สะดวกไหมไม่สะดวกแต่มันก็พยายามใช่ไหมเพราะไปตามกดของอะไร ของแต่ลักที่มันจะต้อง blood circulation air circulation ตละเวลาการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของเลือดแต่้มันมีการสตักเกิดกดทับกนั้นเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันไปไม่ได้มันทำไงที่นี้มันก็ดันใช่ไหมดันที่จะไปเพราะว่าที่ดันที่จะไปมันเกิดการขัดแย้งแล้วเกิดความอะไรเจ็บปวดแน่นหนักหน่วงเกิดขึ้นพอเราลุกขึ้นปั๊บท่อเลือดท่อลมมันที่มันไปเพียง ต อ, ตอนแรกเราอยู่อย่างนี้อเท่าเรื่มมอเลือดลมมันมันป่งร้0เอเลือดลมก็วิ่งจูเต็มที่ใช่ไหมแต่พอเรานั่งไปปับ๊บเท่าเรืองเดมที่ว่าป่งร้อเปรมันเหลือแค่ 50%, 3%, 0ิบเเลือดลมที่ผ่านไปได้ 100% เมันลดลงวูบเหลือเปอร์เซ็นต์ที่ตับมึงปับ๊บการขัดแย้งเกิดขึ้นก่อให้เกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดหนักหน่วงและปวดด้วยกฎของอนิจจังทุกขังหน้านตามันทางานตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใช พอเราลุกเกิดขึ้นความสบายเพราะอานิจจังได้ทําหน้าที่ของมันทําหน้าที่ได้เพราะมันได้ไหลเวียนาตามปกติแต่พอเรานั่งนูนปักเนี่ยกดของอนิจจังการไหลเวียนแล้วอนิจจังที่มาทํางานร้อยเนมาเหลือห้าสิบเปซ็นปไงก็ให้เกิดทุกขังเราไปบล็อกกดของอนิจจังก็ก่ให้เกิดทุก ข, งกกขงั ง, ขงแต่พอเราเอาอานิจจังให้มาทํางานเต็มที่ปั๊บทุกขงังตัวนั้นหายไปเป็น อะไรเป็นตัวสบายเป็นตัวสุขขังขึ้นมาเลยตัวสบายนะแล้วตัวสบายนี้กับตัวไม่สบายส่วนใหญ่เขาจะพึ่งอะไรเขาจะต้องการอะไรความสบายก็ไม่สบายต้องการความสบายใช่ไมอ่าต้องการความสบายความสบายเนี่ยมันเป็นธรรมหรือเป็นอาธรรมความสบายเป็นธรรมหรือเป็นอาธรรม อาจทำคือไม่ใช่ทำนะเป็นธรรมคือมันเป็นธรรมนั่นแหละเป็นปกติทำมาคือแปลว่ามันเป็นปกติความปกติคือความสบายมันมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่มันไม่สบายคือดขึ้นมาเพราะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความผิดปกติคือเป็นอาจทำขึ้นมาตัวทำคือผิดปกติก็คือตัวที่พึ่งได้หรือไม่ได้พึ่งไม่ได้ตัวพึ่งไม่ได้บังคับไม่ได้ตามที่เราต้องการตัวนี้เรียกว่ า, อ, าอะไรอนัตตา อ่าอนัตตาเกิดเพราะเราไม่สามารถจะพึ่งมันได้ต่อไปเพราะมันผิดปกติมันจึงเป็นอณิจังทุกขงังเราเป็นอนัตตาแต่พอเรามาแก้กดอณิจังได้ถูกพอรู้ว่าเลือดลมมันเดินเต็มร้อยก็ให้มันเดินเต็มร้อยทุกขังเกิดไหมไม่เกิดแต่ว่าทุกขงังอณนนิจังทํางานไม่ได้ถูกบีบให้ทำงานแค่สิบเปอร์ยี่สซทุกขังเกิดไหมเกิดและทุกขังเกิดแล้ว เราพึ่งไอ้ตัวทุกข์ได้ต่อต่อไปได้ไหมไม่ได้เราก็ทิ้งตัวนั้นทิ้งตัวนั้นเป็นอนัตตาแต่พอเราปล่อยให้อนิจังทํางานตลอดเราพึ่งได้ไม่ทุกข์สบายก็เป็นธรรมก็เป็นธรรมมาตรงนี้เขาเองคือเป็นอนิจังทุกขงังปัญญาหรืออนิจังทุกขังธรรมมาไม่ใช่อนิจังทุกขังอนัตตาที่เบสเขาใช้อนิจังทุกขังแล้วนิพพานเลย น, นะสิ่งเหล่านี้เราก็เข้าไปรู้ ก, กฎของมัน เอาละทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นรูปยืนอยู่นี่นานๆสักชั่วโมงไปไงความรู้สึกมันจะสบายเหมือนตัวแรกไหมเพราะเพราะเกิดอะไรขึ้นเพราะเลือดลงที่มันผ่านฝ่าเท้าของเรามันถูกไปไงถูกอุดตันอีกแต่ว่ามันช้าใช่ไมเพราะเมื่อกี้มันอุดตันทั้งขาเนี่ยมันก็มาไวใช่ทีนี้ไอเวลายืนเนี่ยเออรู้สึกว่ามันความไม่สบายเกิดขึ้นแคนี้เทลนิดเพราะมันไปอุดตันเฉพาะฝ่าเท้าใช่ไหม ทีนี้เราทุกคนลองนั่งลูกนั่งเป็นไหมยังไม่เป็นเดี๋ยวนั่งใหม่ลูกก็ยังไม่เป็นเดี๋ยวจะพาลูกพานั่งเลยนะ mm hmm. เวลาไปปฏิบัติให้ทำอย่างนี้นะอย่าไปทำตามใจเองนะ นะอันนี้วิธีการลุกการนั่งนะลุกการนั่งชัดเจนละรู้หรือยังว่าการบริหารอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พออยู่ได้นั้นคือการปรับเปลี่ยนอย่างมีสติสัมปชัญญะเราก็จะได้ทั้งสองทางคือได้ความสบายทางกายด้วยแล้วได้ความสบายทางใจด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีสติสัมยัะเข้าไปรับรู้ต่อการ เปลี่ยนแปลงอิเดียบทเราได้ความสบายทางกายทางเดียวแต่ความสบายทางใจได้ไหมไม่ได้เพราะใจเราอาจจะลุกเปลี่ยนด้วยความไม่พอใจก็ได้นะแต่พอเราเอาสติมากําหนดรู้กันขึ้นไว้นี่ ช, ะชะัดๆความสบายใจก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองทางแล้วก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาอีกเป็นอันที่สามตัวรู้นี้ก็ถูกสั่งสมเป็นนิสัยทีนิดๆไปเรื่อยๆนะเราก็ถือว่าได้รวบรวมธาตุแห่งธรรมเกิดขึ้น เอาละการยืนนะการนั่งดูต่อไปจะเป็นการเดินนะทีนี้ก่อนที่จะเดินเนี่ยการเดินกับการยืนอะไรสบายกว่าอ่านจำให้ดีนะจำคาตอบให้ดีนะการนั่งกับการยืนเฉยเฉยอะไรสบายกว่าการยืนถ้าเปรียบเทียบการยืนกับการเดินการเดินสบายกว่าการยืนเฉยเฉยใช่ไหม ะระหว่างการเดินช้ากับการเดินไวอันไหนสบายกว่าเดินช้าสบายหรือไม่สบายไม่สบายเดินไวสบายหรือไม่สบายก็ไม่สบายที่เดินอย่างไรถึงจะสบายเดินสายกลางคือเดินให้พอดีไม่ช้าและไม่ไวน ะ, ะตรงนี้แหละทีนี้บางคนช้าบางคนไวเพราะว่าสายกลางของแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนนะคนที่มีความรู้สึกไวก็เดินไวก็พอดีของเขาคนที่มีความรู้สึกช้าก็เดินช้าก็พอดีของเขานะระหว่างช้าของเต่ากับช้ากับตะกรวดเนี่ยไม่เท่ากันะช้าของอกระต่ายกระช้าของอหอยเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันะนะเหมือนกันลักษณะความพอดีของแต่ละคนจึงไม่เท่ากันนะทีนี้ในการยืนการเดิน การ น, นั่งต่อไปก็จะเดินที่เดินจงกลุ่มนะเอาจะเดินไปทางนี้แล้วเคลียของไว้ตรงกลางเสานี่ระหว่างเสานี่นะก็เราจะเดินเอาของไว้เส้นระหว่างเสาทั้งสองเสาจะ่งเดินไปทางนี้นะตรงนั้นก็ระหว่างเสานะ <S 2> <S 2> าเดินจงกลุ่มนะทีนี้นะกระเป๋าไว้ด้าน้านระหว่างเสาก็เราไม่ได้ระหว่างเสาอยู่แล้วเอวข้าง Thank <laughs> you. ถ้าคนไม่ได้ก็ต้องตั้งสติอตรนี้ตั้งสติข้านี้พวกคนนั้นไปไม่ถึงข้าเนไหมทีนี่เราเกี <c oughs> ่ยวกนะเีกอาไว้ให้คน้ายความแค่เลยคนไม่ยอมได้เลยเพราะว่าไม่มีทางแรกแย่ไม่ได้แยได้ทั้งถ้าเป็นข้าธรรมมาถ้ามมาที่สามา สมัครท่านเดียวนี่เท่ากับสมัครท่านเดียวนะ <c oughs> อันนี้คือการสาธิตการจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทั้ง4ี่ดบททั้งหมดในช่วงบ่ายเราไปเรียบเรียงอีกทีนเอามาเองสมัยเก็บอารมณ์ขั้งแรกกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราเดินอยู่3มวันเดินนั่งเดินนั่ง3ามวันผุดรู้ผุดนั่ง ในแต่ละ <c oughs> ครั้งเนี่ยไม่เกินห้านาทีสี่นาทีเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็วุ่นวี่วุ่นวายหมดละเพราจิตมันมันไม่เคยเนาะเหมือนจับไก่ไปขังไก่ป่าไปขังสุ่มอะวิ่งออกทางนั้นวิ่งออตรงนี้วิ่งทางนี้มันมันทีนี้ต่อมาว่ามันหนึ่งนึกขึ้นได้เอ๊่นั่งนี่มันมีตั้งหลายท่าเนี่ยทาไมเราจะนั่งท่าเดียวนั่งแต่เก้าอี้หรือนั่งแต่ เทียบเนี่ยแต่ความจริงก็เรามนประดิษฐ์ท่านั่งใจมันก็มาแล้วมาอยู่กับท่านั่งเวลานั่งลงไปมันความปวดเกิดขึ้นยังไงนั่งไปานานๆความปวดเกิดขึ้นยังไงเวลาเราจะเปลี่ยนท่านั่งความปวดหายไปความเบาเกิดขึ้นยังไงได้สิบขวบท่าอย่างนี้แหละปรากฏว่านั่งทีหนึ่งได้สองชั่วโมงท่านั่งเนี่ยพอเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้สิบขวบท่าท่านะ สิบ้านาทีสิบนาทีท่าไหนมันนั่งได้น้อยกวสามนาทีสองนาทีท่าหนังเลยท่าไหนมันนั่งได้นานหน่อยก็สิบนาทีสิบห้านาทีบาลานซ์กันไปได้ถึงสองชั่วโมงโอ้ดีใจมากตอนนั้นนะต่อมาก็เลยทำได้หลายชุดหลายครั้งมีกำลังใจเข้าใจปรมัดเบื้องต้นภายในวันที่เจ็ดเข้าใจเห็นเลยโอ้ได้อดรมครั้งแรกเลยนะดีใจไปบอกหลวงพ่อเทนพ่อเทียน ท่านบอกว่าทําให้เป็นธรรมชาติอย่าทําแบบสะกดจิตตัวเองถ้าทําแบบสะกดจิตตัวเองแล้วมันก็ได้แต่เดี๋ยวก็ลืมแต่ทําให้เป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆมันจะจําได้นานเพราะทําธรรมชาติมันจะเบาสบายแต่ทําทแบบสะกดจิตตัวเองแล้วมันจะหนักก็ทํามาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายหลังจากที่เรา รับอาหารกันแล้วเธอให้ไปทดสอบในดิบดเหล่านี้ว่าในแต่ละท่าเนี่ยเราสามารถบริหารเราของเราได้อย่างมากที่สุดกี่นาทีและในช่วงที่เปลี่ยนท่าไปเนี่ยเราศึกษาว่ากายของเราไม่สบายยังไงใจของเราไม่สบายยังไงแล้วพยายามเข้าไปศึกษาที่ว่ามันไม่สบายเพราะอะไรไม่สบายปรับดูใหม่ถ้าสบายคืออย่างไรปรับห้าท่าที่สบายพอสักพักมันเปลี่ยนเป็นไม่สบายอาการที่เปลี่ยน สบายเป็นไม่สบายนี่มันเป็นอย่างไรไม่ชัดกลับมาตั้งต้นให้มันสบายใหม่แล้วเข้าไปใหม่ไม่สบายใหม่กลับออกมาใหม่เข้าไปซักซ้อมอยู่นี่เนี่ยซักซ้อมที่จะสุขซักซ้อมที่จะทุกข์ใช่ไหมที่มันทุกข์มันมันมันเริ่มต้นอย่างไรที่มันจะไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างไรซักซ้อมไปซักซ้อมมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดการเรียนรู้มันเกิดความชํานาญนะอใ น, นช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้นะ จะโทรศัพท์สั่งลูกสั่งร้านสั่งบ้านสั่งช่องให้ฉังใชนะเพราะตอนเย็นเราก็จะเก็บโทรศัพท์ของเราไวกันเถอบอกเออนี่นะใน5วันนี้ฉันไม่ได้โทรมาบ้านหนึ่งนะบอกเออถ้ามีจําเป็นจะเป็นฉุกเฉินว่าให้ป่วยใครตายโทรมาเบอร์นี้ก็จะมีเบอร์กลางเบอร์เบอร์หนึ่งเขาเบอร์คุูสุนันธาเป็นเบอร์กลางนะให้ติดต่อบอกเอาเบอร์ของคุณซุนันธาไว้นี่ถ้าเพิ่มจะโทรมาจริงโทรมาเบอร์นี้นะเบอร์สุนันธาให้เขาก็ได้ อันนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการตัดบ่วงแห่งกรรมทารามาทุกคนเนี่ยเรามีกรรมคล้องคอมาอยู่ถ้าหาว่ากรรมนั้นเป็นกรรมที่อกุศลกรรมเราทําไว้เยอะมันรู้ว่าเราจะมาทําดีมันก็ตามมาขอส่วนบุญแต่เนื่องจากว่าเราปฏิบตัติพึ่งปฏิบตัติบุญมันยังไม่เกิดใช่ไหมมันก็ตามมาขอแล้วมันก็รู้ว่าไอ้เราเป็นหนี้เขาเนี่ยเรารู้ว่าเขาไปหาเงินก็ยังไม่ทันได้เงินแล้วมันจะมาขอเงินแล้วเนี่ยไอ้เราก็ไม่เป็นอันทํางานแล้วทีเหมือนกันเนี่ย เรามีวิบากกรรมมาก่อนที่เจ้ากรรมนายเวรเขายังมาตามขอส่วนบุญเรานะขอแล้เราเร า, เราไม่มีให้อะพอไม่มีให้มันก็ดึงกลับเลยทีนี้โอ้รีบกลับบ้านนะเนี่ยคนนั้นจะเป็นลมคนนี้จ ะ, ะถูกรถชนคนนั้นป่วยเข้าโรงพยาบาลรีบมานะ้าเนี่ยนั่นเจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญดึงกลับเฉยเลยอยู่ไม่ได้นะพอเสียงโทรศัพท์มานะออกร้อนออกรนกวนกรวายหารถกลับบ้านอันนี้นเขาเรียกาเจ้ากรรมนายเวรมาดึงกลัไปแล้ว พราะฉะนั้นมาเจอมานับไม่ถ้วนะ่ะแบบนี้ก็เลยในที่สุดตอนหลังมาตัดสินใจเก็บโทรศัพท์เอาไว้ดีกว่าพเพราะเราเก็บโทรศัพท์ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังมามันมันต่าง ม, มาไม่ถึงเพราะนะั้นมันก็ไมนไปรังควานคนที่บ้านของเราแหละคนที่ไม่พอเจ็บมันก็จะไม่เจ็บคนที่ไม่พอตายมันก็ไม่ตายเพราะตรงนี้เรามาทําบุญกุศลขั้นสูงอ่ะบุญกุศลที่เราเกิดตรงนี้มันก็ไปช่วยคนทางบ้านที่จะเกิดเป็นหรืไม่มันก็ไม่เป็นนี่กฎกติกาของกรรมมันเป็นอย่างนั้นนะ เพราะนั้นก็จึงเก็บโทรศัพท์ไว้เผื่อว่าตัดสายใหญ่แห่งวิบากกรรมบางคนมีบักกรร ม, มาแรงมันก็จะมา <c oughs> ตัดมารอนมาซอนมาซมาะเอาจิตเอาใจของเราให้เกิดกงังวลเราก็เก็บโทรศัพท์ไว้ก็ลองทำมาก็ได้ผลนะเราไม่กังวลตามพุทนธะีเราจะทิ้งไม่ได้โทรศัพท์เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้จําเป็นมาก <c oughs> วันๆหนึน่งโทรกันวุ่นไปหมดไง เพระาะนักเวลามภาวนาเนี่ยเราจําเป็นแก้ไขจุดนี้นะเอาละในช่วงที่สาธิตมาแล้วก็การประทุมนิเทศมาช่วงเช้านี้ก็หมดเวลาพอดีนะขอให้นําไปทบทวนตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วในช่วงบ่ายเราก็จะามาภาวนากตรงนี้ก็ดูอีกทีหนึ่งช่วงบา่ายเพราะว่า <c oughs> ข้างบน มิคี้ลืมถามเจ้าของบ้านแปลข้างบนนี่เราขึ้นไปนั่งใช้ได้ไหมนะเอานักถามดูเขาไปนั่งใช้ได้เคนั่งล้อมระเบียงในชนที่มันข้างหลังงทีอ่ามันมีพัดลมก็นั่งข้างล่างก็ได้รางทีแสงแดดมันสาดมันใยนะก็มัรูมก็ร้อนงทีก็บางทีแล้วก็ไปนั่งข้างในถ้ามันมีพัดลมในนี้คือค้อยเสียเปรียบตรงนี้ก็คือมันอยู่กลางกลางทุ่งต้นไม้ใบยาเขาบอกว่าปีนี้ พี่กายพี่ก่อนเนี่ยบุมมไม้ไว้เต็มมือ น, นะปรากฏน้ําท่วมตายไปหมดไปเยอะเลยก็เหลือต้นไม้ไม่กี่ต้นหมดไปสองสล้านราคาต้นไม้น้ํามันท่วมนะเห็นไหมเมื่อนั้นแล้วก็มีต้นไม้ชายคาเนะี่ยนั่งปฏิบัติกันนะดังนั้นในช่วงเชา้านี้แล้วก็มีอะไรคุณสุนทรทาคุณเติมไหมก็มถือว่าเราได้มาใช้สถานที่ที่เตรียมพร้อมไว้ดีแล้วนะแล้วก็ ่ส่วนบุญต่วนให้เขาที่เขามีโอกาสได้มาไมา้แต่และแผ่นใหญ่มากมีเจ้าไมา้มีลูกเทวดามากมายนั่นเนี่ยรักษาม้นิไว้แล้วก็เขาจะเขายังห่วงยังาหายังห้ามอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ส่วนบุญส่วนให้เขาไปเราก็จะได้อยู่สบายไม่มีอุปสรรคนะอยู่ก็สบายใจก็สงบได้ง่ายก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่เราก็ได้ถือปฏิบัติกันมา ดังนั้นในตั้งแต่เช้ามาเนี่ยลำดับถึงเรื่องของต่างค้จะจำได้ไม่มากก็น้อยนะพยายามที่จะให้จิตใจของเราผูกพันอยู่กับการมีสุขมีทุกข์มีเบื่อมีเซ็งมีชอบมีไม่ชอบมีปวดมีเมื่อยมีง่วงมีเหงามีอะไรสลับกันไปมาเนี่ยเราก็เข้าไปดูกับสิ่งนี้อันนี้คือธรรมนะปฏิบัติกับสิ่งนี้แค่ปฏิบัติธรรมพอไม่รู้กับสิ่งนี้ชัดเจนแล้วเราก็จะอยู่เหนือมันไม่ได้ แต่คน่วใหญ่จะหนีมันใช่ไหมทุกตัวนี้ไปตรงนู้นทุกตัวนั้นไปทุกเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆแล้วมันเคยจบไหมไม่จบนะยิ่งหนีมันยิ่งเจอแต่พอเรามาปฏิบัติพิปัสนาเนี่ยเราเห็นนิพพเนเลยเห็นแล้วสู้เห็นแล้วสู้เห็นแล้วแก้เห็นแล้วแก้เห็นแล้วดับเห็นแล้วปรับออกปรับออกปรับออกในที่สุดทุกไม่มีที่ตั้งอยู่ไหนก็สบายที่นี่เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอนขวายหาวัตถุมาต่อมาเติมความสุขของเราเพราะเราพบ วความสุขที่แท้จริงก็นั้นไม่ยากเพียงแต่ Thursday, เอาทุกออกเสียเอาความไม่สบายออกเสียสุขมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองอย่างแผ่นกระดาษเนี่ยมันสกปรกตรงนี้เเอาความสุขกับปลกความสอาดมันก็เกิดที่ตรงนั้นเลยอันนี้มันสกปรกตรงนี้เราก็ไม่เอาเออกไปหาที่สะอาดใหม่มาสักพักที่ตรงนั้นสกปรกเอาไปหาที่สะอาดใหม่อีกแล้วเมื่อไหรไม่นจะจบแต่รู้ว่าตรงนี้มันสปกปรกเช็ดเอาความสปกปกออกความสะอาดขึ้นก็อยู่ที่ตรงนี้แหละใจเราก็เหมือนกันมันมีความ ไม่สบายตรงนี้เอาความไม่สบายออกไปความสบายก็ปรากฏความทุกข์มันเกิดตรงนี้เอาทุ ก, ออก ข, ข์ออกสุขก็ปรากฏเท่า น, นั้นเองแต่เรายังไม่เห็นวิธีการไม่รู้วิธีการเราถึงมาฝึกนะเมื่อมาฝึกแล้วภายในห้าวันหกวันนี้เราก็จะฝึกทําแต่เรื่องนี้ไม่เอาเรื่องอื่นมาพูดกันเอาเรื่องเดียวเนี้ยเรื่องวนดูว่าสุขเกิดยังไงทุกข์เกิดยังไงแล้วในช่วงบ่ายหลังจากที่เรามา รวมกันแล้วเราก็ลองแยกกันนั่งปฏิบัติแล้วก็มาปรับถ้านั่งท่ายืนถ้าเดินถ้านอนดูว่าเราปรับเป็นไหมเราบาลานซ์น้ำหนักเป็นไหมเราตามดูอาการหนักอาการเบาร่างกายของเราเป็นไหมเราแก้ไขบําบัดสุขทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไหมมาสักซ้องให้มันเป็นทําให้เป็นบำบัดทุกให้เป็นบําบัดสุขให้เป็นเราต้องการอะไรทําให้เป็นการที่แก้ไขปัญหาเป็นแก้ไขสุขเป็นใคร เรียกว่ากุศลท่าธรรมเรามีกุศลแล้วกุศลแปลว่าทําเป็นพูดเป็นคิดเป็นนะอกุศลก็พูดไม่เป็นทําไม่เป็นคิดไม่เป็นเพราะฉะว่าความมาทำไม่เป็นนั่นเองมาทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเป็นไม่สบายเดือดร้อนก็เพราะเราทําอะไรไม่เป็นก็เรียกว่าเป็นบาสนะบาสมันเกิดขึ้นตรงที่เราไม่เป็นเนี่ยถ้าทําเป็นมันก็ไม่เป็นบาปเป็นบุญไปนะอันนั้นในช่วงที่เรา มาที่ตรงนี้ก็จะทำอย่างนี้ทุกวันสำหรับรายการสเกจชัต่างๆคุณสุนันทาแจ้งแล้วใช่ไหมแจ้งให้ทราบตอนเช้าแล้วใช่ไหมว่าเวดาเท่าไหร่ทำอะไรอะอตีไปแล้วนะอเอาคราวนะพ่อบอกให้ว่าในช่วงตีตื่นมาก่อนทีสี่จะเกินตีเท่าไหร่ก่อนตีสี่ถึงทีห้าแล้วก็มานั่งทำวัาสดมนกันตีห้า ถึงหกโมเช้าก็มาศึกษาสนทนะธรรมถามปัญหากัน6กโมงถึง7จ็ดโมงเราก็จะมีโยคะบำบัดโยคะกรรมฐานนะเจ็ดโมงก็รับอาหารเชา้าข้าวตุ๋มอะไรต่างๆแล้วก็ออกไปทําเระส่วนเตัวถึงแปดโมงทุกแดโมงครึ่งก็8ปดโมงครึ่งก็เริ่มปฏิบัติต่อกันไปจนไปถึงส1บเอดโมงพอสิบเอโมงเราก็มารับอาหารกลางวันหรืออาจจะสิบโมงเสร็จนะ มารับประารกันรับประทานเสร็จแล้วก็พักผ่อนทําธุระส่วสนตัวประมาณบ่ายโมงก็เริ่มต้นปฏิบัติกันจนไปถึงนุ่นบ่ายห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเราก็ไปพักอาบน้ําอาบทารับน้าปานะรับน้ําเครื่องดื่มหกโมงครึ่งแล้วกลับเข้ามาทำวัดส ม, มุนหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็นั่งปฏิบัติร่วมกันจากนุ่มทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งก็คือกาย ศึกษาสูนย์นัธรรมสอบอารมณ์ไปถึงสองทุมครึก็ได้ไปพักสามทุ่มแลก็พักก่อนเป็นอย่างนี้ทุกวันนะตอนสุดท้ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการสำนาการสอบอารมณ์การทดสอบแต่ละต่างๆที่ฝึกฝนมาแต่ละวันแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนในช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะมีการพูดให้ฟังเรื่องการแก้ไขปัญหาและสอบอารมณ์ชั้นต่างๆซึ่งจะทําให้เราได้ประสบการณ์นะ อันนั้นในช่วงตั้งช่วงเช้ามาถึงช่วงนี้ก็ได้สาธิตในการปรมนิเทศการสาธิตวิธีการปฏิบัติต่างๆครบเรียบร้อยและนะแล้วในช่วงบ่ายเราจะได้ลง ม, มือปฏิบัติตามที่นั่นแตนน่พอดีเราจะถวายอาหารเพื่อที่จะได้เจ้าของบ้านได้ทําบุญร่วมกับเราแล้อุทิศกุศลไปให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรให้เขาได้มาเป็นเทวดาปกปักรักษาพวกเรกาให้ได้รับ ความสะดวกสบายในการภาวนาตั้งนโมสามจุดพร้อมกัน